ทำปัญหาอะไรเข้าปัญหาอะไรขอทำอะไรขอขอแนวทางปฏิบัติอะไนี้อดูใจเราเป็นหลักเวลาเราดูอะไรเราเห็นอะไรเราเราดูใจแล้วว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อถึงพวกเราคำว่าดูใจเนี่ยคือดวามรู้สึกดูคาูคิดมันต่างกันตําไหนอ๋อคิดนี่ก็คือกําลังคิดอยากจะทําอะไรนั่นเองเป็ความ คิดจะกินน้ำคิดจะถึง น, น้อเสยมี่เรืความคิดไม่คิดถึงคนนั่งคิดถึงคนนี้เรื่อความคิดแต่ดูใจก็ให้ดูตัวนี้ดูความคิดของเราว่ามันไปคิดแล้วก็อยากไปทำตามความคิดเคนไหนไปให้มาวิเคราะห์ความคิดของเาว่าเราคิดดีไหมไม่คิดไม่ดีไมนคิดจะไปทำร้ายตัวเองกาอยากไปทำ คิดมาทําดญวันนี้ก็มาพยายางอยากทางคิดมาแล้มันเป็นฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอืมแล้วฝ่ายตรงกลางไม่มีสารฝ่ายในช่วงที่เราจมบติว่าเราเราคิดว่าเออราจะมาทาบุญแล้วก็รู้ว่าเราคิดอยากมาทำบุญไออันนี้คือเราคิดแล้วแต่ไม่ได้เป็นการดูนี่เปล่าหรือคิดแล้วบางคนคิดแล้วแต่ไม่ได้ดูความคิดนี้หรือทำการฟังมคิดนี้เลยอ๋อ เราต้องวิเคราะห์ก่อนเราต้องสกรีนมันก่อนเราต้องสกรีนความคิดของมันก่อนที่จะออกมาทางวาจาและทางทางกายและความคิดนี้มันก็ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ทันทีเช่นเดียวกนะันเมื่อคิดโรกรธใช่ไหมันจะร้อนขึ้นมาทันทีก็ให้ดูตัวนั้นมันเป็นสำคัญถ้ามันร้อนนี่สแสดงว่าคิดไม่ดีแล้วมันเป็นโทษกับเราถ้าเกิดความร้อนร้อนขึ้นมาเกิดความยุ่งจบเกิดความกังวล เกิดความห่วงใย mm. เกิดความเสียใจเป็นความคิดไม่ดีใช่ไหมต้องต้องทีนี้ ป, นปัญหาคือว่าเราจะแก้กความคิดไม่ดีได้ยังไงเราก็ลองอาศัยธรรมะธรรมะก็คือความธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามาแก้ไอ้ความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ mm. เป็นเหมือนยาไอ้ความคิดไม่ดีนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคพอคิดแล้วก็เกิดเป็นไข้ที่มันทำใจใจ ากะกโงนกะวนกะวกษัตริย์กะสายกินไม่ได้นอนได่หลับนี่แสดงว่าคิดไม่ดีเลยเมื่งเรารักใครสักคนแล้วก็ห่วงกังวลกับเขาเนี้ยเราเกิดอาการไม่ปกติเนี่แสดงว่าเราคิดผิดแล้วอยากจะทำมาให้คิดถึงถ้านก็สอนว่าคนที่เรารักเนี่ยความจริงเราไม่ควรที่จะไปรักเขาขนาดนั้น mm hmm. เราต้องรู้จักขอบเขตของความจริงที่จะเกิด ข, ขึ้นกับเขา ว่าเขานี้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเขาบ้างเช่นที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาก็เป็นไปเพราะเขาเขาเป็นของเขาเอง mm hmm. เราไม่ได้ไปทำให้เขาเป็นและเราก็ไม่สามารถที่จะไป <Okay. S 2> ไปเปลี่ยนเขาได้ mm hmm. หรืออาจจะเปลี่ยนได้ก็ทำไปถ้าเราห้ามได้เราก็ทำไปแต่ถ้าเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องถอยเราก็ต้องยอมรับความจริง เราก็จะหายกออากระวนกระวนกรวนแล้วถ้ามันไม่หาย่รับจะหายแสดงว่าเราเราิดมากเราเรายังไม่ยอมรับความจริงอันนี้เรายังไม่ยอมหยุดเนี่ยเรายังไม่ยอมปล่อยท้อต่ว่ามีใจยังอยากจะปล่อยแหละแต่ใจมันก็ยังชิดอยู่ใช่มันท้องฝ่ายต่อสู้กันีฝ่ายฝ่ายอยากจะดึงเอาไว้ยังยังอยากจะดูแลรักษาในฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าคนจะปล่อย แต่ฝ่ายที่ควรจะปล่อยนี่มันมีกำลังน้อนกว่าเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นประโยชน์ของการปล่อยมันยังคิดว่าเก็บไว้มันยังดีนะครับแต่ถ้าเราดูใจของเราตอนตอนที่เราไม่ปล่อยนี่เราทุกข์ทรมานใจถ้าเราปล่อยได้จริงๆนใจเราจะโล่งใจเราจะสบายเนื้อเราอาจจะมองวิเคราะห์ไม่ลึกถึงว่า นอกจากที่เราไม่สามารถไปไปบังคับเขาหรือไปเปลี่ยนเขาได้แล้วข้างในที่สุดเขาก็ต้องล้มสลายหายตายจากไปในที่สุดมันก็จบอยู่ดีแต่ให้เราดูแลรักษาเขาประคับประคองเขาอย่างไรเช่แม่ไม่สบายพาเข้าโรงพยาบาลพาอะไรต่างๆต่อสู้ทุกวิธีทางที่จะให้หายแต่มันก็มันก็ไม่หายอยู่นยเรือหายก็ได้หายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นใหม่ เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดดัง้นเราทําแล้วก็ทําได้งแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงข้อ น, นี้ไว้ว่าทำาพื่อแค่เท่านั้นแหละท ำ, ทำหน้าที่่เออได้เท่าไหน่ก็ทานั้นในที่สุดก็ต้องแพ้ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นแล้วตัวเราก็แบบอย่างนีแต่ยังทําได้ก็ทําไปมียากินก็กินไป มีหมอรักษาเารักษาไปมีจะรักษาขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจบางคนก็ต้องเต็มที่หมอยาเต็มที่บางคนก็บอกเอาแค่กินยาก็พ อ, อมไม่นอนโรงพยาบาลไม่ฉีดยาไม่ไม่ใช้สายยางไม่ใช้ผ่าตัดไม่ใช้อะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ธรรมะของแต่ละคนมากนีม่มากมนลยเนาะถ้าปล่อยมากก็ไม่รักษามาก ถ้าปล่อยน้อยก็จะรักษามากแล้วในที่สุดมันก็เป็นจบที่ที่ลงศพนะไม่ว่าจะถ้าเราปล่อยมากเรารักษาน้อยมันี่ก็เหมือนเราก็ไม่เป็นไรแล้วหเราแล้เรารักษาใจเราไงเราเรารักษาใจเราเป็นหลักเราใจเราสําคัญกว่าใช่เราทุกเป็นการเห็ก่ตัวแก่ตัวของเขาไม่ใช่ดัวของเราเท่าไหร่ เราเหมือนเราต้องเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ต้องถามตัวแล้วก็ต้องถามตัวเจ้าของเขาจะเอาขนาดไหนเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ออถ้าเขาไม่อยากจะเข้าโรงยาบางก็อยากไปอไปบังคับใจเขาถามเข้ามันจะเอายังไรจะเอาขนาดไหนเอาเต็มที่หรือเอาแค่ห้าสิบหรือเอาแค่สูนย์วามาจะทำตามจะทําตามคําสั่งที่อย่าง เราไม่ควรที่ไ ป, ไปไปเป็นคนเป็นเจ้ากรรมนายเรขงเขาไ ป, mm hmm. ไปบังคังให้เขาทำอย่างนี้นนควรจะขอลบชีิตที่ของเขา mm hmm. ชีวิตเป็นของเขาร่างกายเป็นของเขาต้าอยากจะรักษาอย่างไรก็ทำตามที่เขาต้องการเรามีหน้าที่รับใช้เข า, าไม่ใช่มีหน้าที่ไปสานการกันเหมือน คนคุมค น, คนในคุกอย่างนี้ อ, อย่างในพระธรรมนั่นทางนี้นใช่เราเป็นคนใช้ถ้าเราจะรับใช้เขาค้าเราก็ต้องฟังคำสั่งของเขาแต่เขาเป็นนายอย่าเราเราอย่าจะเป็นนายเขาล้วท่ามีใจให้เียงแบบอย่างที่เมื่อกถ้พราว่าถ้ามีใจหนึ่งอกุศลใจหนงกุศลแต่ใจอกุศลมันจะแรงกว่า อารก็บอกว่าเอาธรรมะต้องมาช่วยใช่ไหมแต่ทีนี้คนในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันใจมันมนแบบมันแรงมากต่อให้ฟังซีดีฟังมันก็อเอาไม่อยู่ต้องทํำยังไงก็ต้องต้องเจริญสติเจริญสมาธิเพาเป็นการหยุดใจนั่งกมาธิแตเจริญสติตอดนดึงใจให้มาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนที่จะไปอยู่กับความคิดนั้นสนื่อสารในรายการพุทโธพุทธเลยถ้าทำไม่ได้ มันเคยพยายามทำเหมือนกันแล้วมันก็ฝึกมันก็ปกับจนมันก็ทําไปอีกอย่างก็พยายามทำาปเรืแล้วต่อไปมันก็จะดีเองมันเหมือนดอนหัดเดินใหม่ๆมันก็เดินไม่ได้ทันทีนแล้วก็ล้มล้มลุกคลานแต่พยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะทํางานขึ้นทางานขึ้นแล้วมันก็จะสามารถเหนื่อใจให้อยู่พุทโธได้นานขึ้นนานขึ้นมันก็ทร้างเงนหยิบได้เลยนี่ สามารถลืมเรื่องที่เรากําลังคิดไม่ดีได้แต่ตอนนี้การคิดไม่ดีมันมัน ม, ม, มันเป็นออโ ต, โต้มันจะไปของมันเองเรานม่เหมือนแต่ว่าเราเราไม่มีกําลังที่จะเดินมาเพราะนี้เราไม่เคยดเดินมาแต่ต่อไปพอเราเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วกำลังที่จะเดินม้ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ใงที่สุดเราสามารถวัทงทับความคิดของเราได้ คิดเงี้ยดีก็ให้มันยิบได้ให้าคิดเงเรื่องที่ดี้็มองทางนึงคิดได้แล้วพอคิดไปในทางที่ดีเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดมันนิสัยไปมันจะจะคิดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่เราดีมันก็ไม่คิดใจเราอนความคิดเราเหมือนเหมือนกำลังรยนต์ถ้าลองขับไม่เต็มเราปล่อยมันนีลงเขามันก็ไม่รู้จะไปลงทับอย่างไรมันก็จะไปทางเรื่องๆออกมา แต่ถ้ารหัดขับเป็นมาก็จะรู้จักใช้เหียดใช้โทมอรอ่ะ น, นั้นแหละนี่คืการมาฝึกสตินี่คือเป็นการมาหาดับควบคุมความคิดของเราการนักอิจารฟังธรรมส่วนหนึ่งก็คือฟังวิธีที่จะควบคุม ใ, ใจเราอีกส่วนหนึ่งก็ฟังว่าความคิดแบบไหนดีความคิดแบบนั้นไม่ดีความคิดที่ดีก็ต้องคิดตามความจริงของธรรมชาติจึิงของร่างกายเรา ของทางตา ม, มันมีอัญมณ์ทุกอย่างอนุภามีเกิดจาก่จิตตามันไม่ใช่เราไปบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหตนที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เรารับประทานใช่ไห ม, มาจากดิ น, น้ำมันตาอาหารมาจากดิ น, น้ำมันตาพอตายไปเอาไปฝังดินมันก็กลายเป็นดินไปเราไปเผาไปมันก็กลายเป็นที่เท้าไป มเพื่อความคิดที่ดีเป็นประโยชน์กับใจเพราะมันจะทําให้เราปรับมุมมองทัศนคติษษษษของเราต่อโลกแล้วก่อเราจะเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนากรนั้นกอแต่พอเราเห็นว่ามันก็ไม่แค่ระดับอาการ ส, ร า, มสนนามสิบสองมีฝนฝนเลือดฟันเป็นดินน้ามงไปในเที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามพอเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ร้องห่มร้องไององห้ใครตายก็ ก็ไม่ไม่เดือดรอะไรเพราะมันรู้มันต้องตายแล้วก็รู้ไม่มีใครตายมันเหมือนขวดน้ํำถุงพลาสติกมันมันเก่ามันขาดมันก็ผ่านไปสามเดือนของมันเพราะว่าคนคนที่มามามาบังคับร่างกายนี้มันไม่ได้ตายแต่กร่างกายเข้าใจเนี่ยตัวที่สั่งการร่างกายอยากให้มาที่นี่มันนี้ก้าใจสั่งเลย สั่งให้เดินสั่งให้ลุกขึ้นสั่งให้ทําอะไรต่างๆนี่กรใจเป็นสนสามแต่ใจไม่รู้ใจไปหลงว่าจะร่างกายเป็นเป็นใจเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาถ้านั้นเองพอรู้ความจริงว่าคนที่หวาดกลัวกับคนที่ตายเป็นคนคนกั่นเหมือนแก้วน้ำกับเราเนี่เหมนคนคนละคนกัน กาวนานมันเสียมันมันพังไปก็ให้มันพังไปเราเราก็ยังเป็นเราอยู่เราก็ยังคิดได้อะไรได้พอตายไปต้องมันก็ไปหาล่างใหม่ต่อหรือถ้ายังไม่หาล่างใหม่มันก็เหมือนอยู่ในฝันนอนหลับฝันอยู่ฝันดีก็ก็มีความสุดมันด้ก็มีความทุกข์แต่นั้นไม่มีร่างกายมาเกี่ยวข้อง ความฝันก็คือความคิดที่ขงใจมันปลุงแต่งขึ้นมาถ้าจจะเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนเขียนนิยายหนังมันก็ออกมาจากความคิดของคนถ้ี่ยภาพยนตร์ที่เราดูมันก็ออกมาจากความคิดทั้งนั้นจินตนาการใจแล้วก็เอามาเอามาทําให้เป็นเป็นรูปประทับขึ้นมาแล้วอเรานอ น, นอนนอนหลับเนี่ยเราก็ดูหนังของเรา เราเป็นนั่งผู้ผลิตผู้กรรกับผู้ดูมันก็อยู่ที่ว่าพฤติกรรมของเราในอดีตในตื่น เ, นาเราสะสมพฤติกรรมแบบนั้นไว้มันก็จะสืบเนังแบบนั้นออกมาให้เราดูเราไปา ท, ทำแบบทความค่าสัตย์ชีวิตอะไรมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ออกมาให้เราดูให้เราหวาดเสียวถ้าเราไปทำบุนทำอะไรทางประโยชน์มันก็จะมีเรื่องนี้มาให้เราดูนี่แล้วก็มีความสุ ก็เป็นสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่สถานที่สวรรค์เป็นสถานภาพของจิตจิตผลิตออกมาเองเป็นผู้ผลิตขึนมาคือต่อว่าตัวจนเป็นบ้าเป็นบอไปงแลก็ประจิตก็เป็นผู้ผลิตขึ้นมาถึงเสียลายขึ้นมาก็ก้าวส่งเสียใจทุกรับมาส่มทุกข์จน อนอยู่ไม่ได้อ่าคิดไ ป, ดไปต้องฆ่าตัวตายคิดหนีแล้วไม่หนีเพราะมันอยู่ในจิตดำลองฆ่าร่างกายแต่ห้ความคิดนี้มันก็อยู่ในจิตดำมันก็ยังคิดต่อมันยิ่งคิดทุกยี่มากขึ้นไปใหญ่เพราะการคิดทีีจะฆ่าตัวอย่างนี้มันจะต้องมันจะต้องถนหน่อ งั้นถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถควบคุมความที่ไหลไม่ได้เมื่อมันเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะทําตามความคิดนั้นกระโดตึกตายฆ่าคนอื่นตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายทำมีปติแล้วก็บอกว่าความคิดนี้ไม่ดีหยุดคิดได้แล้วมีปัญหานั้นแก้ววิเท็จอยู่เป็นข้าเป็นตามไป <S S S S S แก้ได้ก็แกแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นตาม ถ้าเราจะเกิดก็เกิดจะตกงงานมันตกงงานไดหางานใ ห, หม่ได้หาไม่ได้ก็อยู่บ้านก็ได้มีเงินกินข้าวก็อย่างไม่เดียอยร้อนเลนะต้องวิเคราะห์ไปเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งมันก็จะไม่มีปัญหา <S <S แต่มากมันก็แค่ตายยังไงก็ลงตาเห็น <S <S มีงานทำมีก็ลงตายเหมือนกันนี่คิดอย่างนี้มันก็คิดได้นะแต่วันมีความรู้สึกว่ามันเป็นใจคิดตาม เมันตามทฤษฎีอะไรเงี้ยแล้วก็นำตามทฤษฎีใจมันเดกเป็นอย่างนีแล้วก็นำแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้นะเวลาคิดแล้วไม่ได้ฏิบัติคิดแต่ทำไมเสียเวลาเวลาคิดว่านั่งสมาธิดีมันก็ต้องไปนั่งสมาธิอยู่ไม่ใช่ไปเข้าไปกินไปบาร์ไปผับเนี่ก็รู้อยู่เข้าบาร์ก็ผับมันดีนะมีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพ ก็เหมคอนคนติดยาเสพติดก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เลิกไม่ได้ไม่มีกําลังไม่ไม่มีสติเม่เสริมสติไม่มีสมาธิที่จะเด็กเก็เหมือนล็อที่ยกตัวอย่างนี้ล็ากําลังวิ่งลงเขาไม่รู้จักควบคุมล็อกคุมมันไม่ได้มันจะต้องพาเราไปหาสิ่งที่มันอยากคืออยากเล่าเดี๋ยวมันก็พาเราไปหาเล่า ก็เนี้อไม่มีใครช่วยเราได้ตรงี้ต้องเราต้องช่วยตัวเราเองคนหนึ่งปฏิบัติแทนเราไม่ได้แ mm hmm. ม้จะเป็นอยู่ที่สถานบำบัดก็มีวิทยาดต่างๆก่ตาแต่ถ้าใจเรายังยังอย่างอยู่ยังไม่เลิอกอยู่เพราะออกมาจากสถานบำบัดก็กลับไปไปใหม่ได้มันต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราทํานี้ว่ามันเป็นอันตรายกับชีวิต จ, จิตใจเรา มันจะทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะยอมยอมยอมทนทุกข์ที่จะต่อสู้กับบางอย่างนี้<ม>เหมือนกับเรามีมีน้ำตามเท้าอะไรอย่างนี้เราเราเดินทีหลันก็เจ็บจริงแต่ถ้าจะผ่านออกมามันก็เจ็บแล้วกวาดขาจะหารก็ต้องเจ็บหลายวันหนึแต่เรายอมเจ็บแค่นี้แล้วเพื่อให้มันหายขาดให้ดีกว่า มีความฝ่ายมนเจ็บนี้ไปเรื่อยๆเหตุอะไรก็พยายามตัดให้ได้เหตุรูปเสียงกลิ่นเ ล, ลาาือดโผต่างๆเนี่ยติดกันทุกคนเนี่ยจะติดมากติดน้อยเท่านี้เราอยู่แบบนี้ไม่ได้ไม่มีรูปให้ดูไม่มีเส้นให้ดูมีเสีย ง, งนยเยงนี่ยเสนี้ไม่เป็นโทษเป็นผลไม่ติดดูจนมันตายก็ไม่ติด เสียงนอกเสียงกาฟังก็เป็นไม่ติดเพระเพราะก็เรื่อรูปสวยรูปธรรมชาติเป็นดูแล้วไม่ใจไม่ร้อนมันเหมือนดูคนตัวเมาตัวในเราต้องเราต้องเปลียนพฤติกรรมของเราพฤติกรรมที่เราอยู่ตอนนี้มันมันไม่ดีพอ มัน้าพอพอพอเอาได้แต่มันมันสึกสุดๆทุกทุกคนเป็นตังยาขมเกรื่องมันตายสุกเหนียวเดียวแล้วก็ทุ่มกันนะมันเห็นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆเปล่ยนไม่มีพอมันขมก็โยนทิ้งมันไหม่ละอมเนี้ยมันขมก็โยนทิ้งเปลี่ยนไ้เรื่อยๆโยนดื้อยาแล้วเปลี่ยนทาอะไรก็เหมือนกันทำอะไรใหม่ใหม่ก็ดี แล้วเขาก็เบื่อแต่บางทีมันก็ท้องอย่เนี้ยไม่ไปฏิบัติแล้วมันก็เออไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นสักทีก็ก็ลองแล้วแล้วปฏิบัติไม้เป็นเลยปฏิบัติไม่ไม่ไม่ไม่มีไม่ทําตามทฤษฎีหลือมวยวัดไม่ได้เป็นมวย่าแบบที่เขาทต้องมีขั้นมีตอนไม่ทําตามมันต้องทําอย่ังไงขั้นตอนนั้นเบอกให้มีสติไว้ให้มีสติอยู่ ทำอะไรก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่อยเกลื่อนให้มันอยู่ที่สิ่งที่เรากำลังทำให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคตอยู่ตรงเนี้คุยกังก็อยู่ตรงเนี้ยอย่าตไปเชื่อพนักงานการว่ากาลังทำอะไรกันให้มันอยู่ในกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเด้งว่าถ้าเด็กมันไม่ได้ก็เอาคิดโผล่เด้งว่าแทนกันละ ทำอะไรก็พ sure, ุทโธพูทโธไปในใจไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่มันก็คิดอยู่บ้างแต่ก็คิดอยู่กับงานที่กําลังทำนะแต่ไม่ให้เราไปคิดเรื่องนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ถ้าจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จำเป็นจริงๆนะที่จะหยุดงานก่อนแล้วก็เอาไอ้ไอ้ความคิดถึงเรื่องนั้นมาเป็นงานในปัจจุบันคิดแท้ตอนที่เสร็จแล้วก็ปิดคำจบเขาเอาเขาลิ้นทัแล้วเรากลับมาทํางานที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบัน โดยใหญ่มันจะไม่อย่างนั้นอยู่สามคนเนี่ยมันเดินใจมันใจมันคุยเรื่องอื่นมันไม่ได้อยู่กับการเดินนะถ้ามันอยู่กับการเดินมันก็ไม่คุยเลยหลวอแล้วเราเดินยืนบานี้ไม่คุยเลยหลัคนแรกหลางดูก้าวเท้าของตนเองเวลาฉันก็หลังคนก็ต่างฉันไม่คุยเลยระยะโยมไม่คุยกันแล้วก็ กิน<ม>ครับกินไปกับคุค<อ>ยไป ค, <อ>ยคุยเรื่องงอวั้เรื่องพวกนี้ปากก็เคี้ยวเคี้ยวกินกินไปแล้วไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยไม่มีสติพยายามพยายามทำอย่างนั้นดิถ้า อ, อยู่กับเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่กํลาลังเกิดขึ้นในขณะนั้น<ไ>มันั่งอยู่คนเดียวมันจะทําได้ ฉชีิตำวันมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่าได้เหมือนกันถ้าเคยฝึกมาแล้วมันก็ทำได้อย่างเราเนี่ยเราไปอยู่กับใคยัเราไม่มีปัญหาเพราะหนเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่คนเดียวเราก็ดูเขาดูเราเป็นที่บีบเบีในขณะนั้นเราไม่ไปที่เลยเขาพูดเราเราก็ฟังเขาเขาพูดอะไรเราเราก็จบเราก็กลมาที่ตัวเราต่อ จำไว้ในในสิน่งที่ล้วกาลังทําอยู่เราต่อ ถ, ถ้าต้องพูดนะครับแล้วก็หยุดในสิน่งที่เราทำนั่นก็ฟังก<ม>็ตอบเขาไปคุยกนไปยังคุยแล้วเนี่ยก็คุยกันไปอันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงที่คุยกันอย่างนี้มไม่ได้คิดถึงงานที่ทําทิ้ไงไว้เรียกว่า ง, งานที่ยตจะตทำทำ<ม>ไปอ๋อเป็นเรื่องๆ อ, อ่อมันอยู่ในปัจจุบันเนี่ย แต่การณมันเกิดขึ้นในการในปัจจุันนั่นะมันไม่เกิดในอดีตไม่ไม่เกิดในอนาคตอดีตเป็นเป็นสิ่งที่การเราส่งต่อไปหาอณะเขาก็เป็นสิ่งที่ใจเราส่งไปหาคิดถึงมันคิดถึงพรุ่งนี้แต่มันไม่มีหรอกพรุ่งนี้มันมีแค่วันนี้มันมีขนาดนี้เท่านั้นแล้วไม่มีขนาดอะไรถ้ามีสติแล้วจิตนิ่งก็จะรู้ว่า มันไม่มีอะไรมันมีแต่ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเงินพัดมาเสียงเข้ามาแล้วก็หายไปคมีแล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมันเสียงดีเข้ามาก็าอย่าจะดีใจแล้วอยากจะได้ฟังเสียงนั้นอีกเสียงไม่ดีก็อย่าเอามาคิดจนเป็นบ้าไปคนเขาพูดทำเดียวไม่ถูกใจกนี้คิดทั้งวัน มันผ่านไปแล้ ว, ลวพอพูดแค่วินาทีเดียวนะั่นผ่านไปแล้วให้เรามาดองเอามารีพิทมันมเนี่ยเล่นซ้ำอยู่นั่นแนี่ททำไมพูดอย่างนั้นพูดทำไมเ้าโกรธเราเนี้นเกลียดเราเนี้ยเราไม่ดีพอหรืออะไรว่าอะไรวิพาควิจารณ์ไปหมดเสียเวลาเปหาด ถ้าต้องวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้ใครก็พูดอะไรก็วิเคราะห์แต่วิเคราะห์ได้เหตุด้วยผลแต่าไปวิเคราะห์ด้วยอารมณ์เขาพูดนี้เขาหมายความอย่างไงท่านต้องการที่จะเสียอะไรก็วิเคราะห์ไปแต่วิเคราะห์ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมีโอกาสก็ไปถามเขาหม่ว่าไม่มีทุนมีอะไรเหลยไม่เข้าใจอถก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องมิจฉาอะไรก็ฝันผ่านไป ถ้าพขาอยากจะให้เรามีปฏิบัติยาตอบตัวเดี้วเขาต้องมาพูดใหม่ให้ตั้งอยู่บนเหตุผลอย่าตั้งอยู่บนอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจนี่อยากพยายามอยากไปให้มันมีถ้ารู้ว่าทุสิ่งที่อย่างที่เราพอใจนี่มันเกิดจากความหมนงสิ่งที่เราไม่พอใจก็เกิดจากความหมนง เราไม่รู้ว่าแต่ที่พอใจไม่พอใจนแท้แท้มันเป็นอะไรนี่ยูเราเราเป็นหลงรูปร่างลักษณะมันเนี่ยเราดีใจแก้วใบนี้ล้วก็ชอบมันเราไม่รู้มันแค่เส็นแค่โลหะเป็นแค่วัตถุคนก็เหมือนกันคนมีหน้าตาแปกต่างบางที่เราชอแล้วไม่ชอบมันก็มาจากมันก็มีอาการสาีสองหมนกนมีขนมีผมมีฟันมีน้ํามีหนังนีนี่มันกันอย จะแก่เสียตายเหมือนกันดินน้ำลงไฟเหมือนกันพอชอบคุยดิบจะติดก็กจะไปทุกข์มันเพราะไปร้างแลมก็ห่วง mm hmm. พอมันเป็นนิรันดร์ใก็วุ้นวายใจหมดจ่ากมงนไฟเงี่บเสียใจเนี่ย ตเตรียมตัวให้ก่อนนะมันต้องจากเราเนื้อลับต้องจากเขาไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันไม่ได้ mm hmm. มีสิงเดียวที่อยู่กับเราไปตลอดก็คือใจเราเนี่ไม่ได้ร่างกายเราเนี่มันรับฝ่าเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่า้านเะนาะห่มร้องไห้หวาตัวกับร่างกายนี้ไม่รู้มากี่ล้านครั้งเนะ <c oughs> พราะเราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเ ถ้าเราู้ว่ามเไม่ใช่ตัวเราเเดือนร้อนของร่างกายของคนอื่นเป็นไงเราเดือนร้อนอย่างเขาหรือานะา mm. ถ้าดูร่างกายเราให้เหมนเราด mm. ูร่างกายของคนอื่นมันก็จบมันก็จะไม่ดีใจไม่เสียใจมันก็ไม่ไม่พอใจไม่ไม่ไม่พอใจมันก็เฉยเฉยมันจะรับรู้ไปตามการผ่านถึง งานดีนกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้มันอีกไกลฝุดสติให้ได้ก่อนถัดทำรู้ใจถัดควบคุมใจให้ได้ก่อนแล้วก่อนที่จะมามาแก้ความคิดของเาได้มันต้องก็หยุดมันก่อนหยุดแล้วก็เอามันมาคิดในทางที่เป็นความจริงคิดแตนน่ยังถ้ามันฝังก็ไปในใจในจิตสำนึก พอมันอยู่ในจุดนั้นแล้วที่มันก็จะเห็นแกันก็จะทันทันทันทันมันก็ไม่เห็นมันเมื่อก่อนมันจะไม่เห็นว่าดีชั่วเห็นว่ามันเหมือนกันมาจากดินกลับสู่ดินคริสต์ยังไม่เวลาจะลาไปสังสบก็ไง From earth to earth from dust to dust ก็มีใช่ไมาจากดินไว้สู่ดิน ทุก อ, อย่างห น, นึ่งร่างกายก็เป็นของพวกนี้ทำ ม, มาจากดินขุดขึ้นมาใส่ในดินแล้วพอบันทันทแณรถยนใส่ทังขยะแล้วก็กลับสปส่ดินอยู่ดีถ้าจะติดแล้วพวงนี้เหมือนกันมืนต้องกลับสปส่ดินดมดโลกนี้เป็นโลกของความหลง โลกมายาแต่เราไม่ร่วมในโลกมายาแลาที่มวันของจริงของจัง้เราไม่ได้มาตัางเทเราจะไม่รู้เลยว่า อ, อะไรมีความจริงเหมือนว่ากล้องหหมกล้องที่เป็นจริงก็้องอันตัวไหล่ะ เราต้องมาโปรแกรมใจมเร า, าให<ช>ม่ลใจเรามันถูกโปรแกรมให้มองเห็นเป็นเป็นสตัตว์สป็นบุคคล<ช>แล้วก็ในดีไม่ดีแล้วก็เกความรักความผูกพัน<ช>ถ้าร<ช>ักผูกพันก็อยากจะให้อยู่เป็นนานๆเราต้องแสดงความรักความผูกพันด้วยเออ่<ต>ไม่รู้ว่าร่างกายเราเหมือนตุ๊กตา ขนาดตุ๊กตาก็ยังหลงอ่เนี่ยเด็กได้ตุ๊กตามันก็ยังเป็นตุ๊กตาร่างกายเราไม่ต่ับตุ๊กตามันก็ตุ๊กตามันก็มาทำมาแต่งร่างกายร่างกายนี้เป็นแบบมาอแต่ตุ๊กตามันอาจจะไม่ไม่สดชื่นเกิมันมันไม่รับรับจับตอนเหมือนกับร่างกาย ร่างกายมีสภาะมีเครื่องกลใจอะไรต่างมีความสามารถทําอะไรได้มากกว่าร่างกายที่ตัวตาที่เราผลิตขึ้นมาเช่นตอนนี้เราพยายามผลิตตัวตาที่จะให้มีความสามารถสร้างร่างกายขึ้นโยนเงาเหมือนกันสร้างขึ้นยนตัวนึงกัสร้างคนคนอย่างนี้สร้างคนนี่ไม่ง่ายจะตายนะ แต่างานกันก้าเรือยๆก็ก็ได้คนหนึ่งนะรู้เสียกายคุณยนต์ที่ผลิตใช้มงนเต็มเต็มร้านเต็มวิชาความรู้ขนาดไห น, ไหนว่ามันทำรายได้มากแค่ไห น, ไหน่วลาคุณยนต์มาดีตรงที่ว่าเวลาใช้มนทา ง, งานไม่บนดมันไม่ทิ่เกล็บ มันไม่เถีย ง, ม, งมันทํางานทำสารทุกอยาก่าง <c oughs> เพอเะ็ันชอบเช้หุ่นยนตในตามโรงงานเนี่ยคนไหนที่แทนคนได้ก็ก็ <c oughs> แทนคนนะ <c oughs> เลยเช่มาทำแทนคนเลยค น, นมันมีปัญหาเยอะหุนย <c oughs> นไม่มีปัญหามันไม่เรียกรอ้อง <c oughs> มันไม่มีปัญหาความอยากเข้ <c oughs> า, า, าใจอย่าง ก็ใจภาพรวมเนี่ยจะดให้ฟังโลกกระแเนี่ยท่านจะว่าโลกนี้คือโลกกระแทกท่าก็คือท่าสี่ดินน้ําำลมไฟทุกอย่างมาจากดินน้าลมไปงา่นแหละมีโลกไหนที่ไมเป็นมาจากดินน้ํำลมไปมก็มีอย่างเดียวก็คืออากาศเนี่ยไี่มันเป็มาจากดินน้ําลมไฟสเปซเนี่ยมันคําว่าอากาศหมายถึงสเปซไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงลมหายใจ ลมออกซิเจนเนี่ยเป็นลมพวกก๊าซต่างๆนี่เป็นล ม, มฟนี่ก็หมายถึงความรอ้อนน้ําก็หมายถึงของเหลวยิงก็หมายถึงของแข็งถ้าพ<ม>ูดส้างสร้างภาษาวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนกันวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ลองดูแล้วตรงนี้มันก็มีอยู่สี่อย่างนะมีของแข็งของเหลวมีกา๊าซ ม, มีความรอ้อนมีอุณหภูมิ อย่างเดียวที่นักวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นก็คือท่ามีาตัวจิตไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ก็พูดถึงรู้ว่าคอนชิวส์นะคอนแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะส่วนใหญก็ที่อยู่กับร่างกายอยู่ในสมองแต่ถ้าไม่ภาวนาก็จะไม่รู้ว่ามันนั่นด้อยู่ในร่างกาย นี่นะท่าท่าไฟเลยถ้าฝนตกก็ท่าน้ำเลยอึงเวลาเป็นท่าเลยหมดาดึงมาก็แบาท่าลงมาแล้วพี่ก็ถามว่าไม่อยู่ในต้งกางแตอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับขึ้นโทรศัพท์มันดี่อยู่ไหนมันอยู่ในขกระปาอือ อัจจะจิของเรามันก็มันก็ไม่ดีนะมนก็คงไม่ไปอยู่กับคนอื่นมันก็อยู่ในเพราะมันมันมันมันมีแมชชีนิชเชิที่จะทําให้มันเกาะติดกันอยู่อย่างที่ว่าเห็นคนที่บอกว่าเห็นจิตนะนั่นคือเขารู้ได้ยังไงเราก็เห็นจิตเขาเห็นอะไรถึงเรียกว่าจิตเห็นจิตนี่มันเห็นได้หลายอย่างคนชาติได้มาทัานว่าเห็นความที่ของเขาความคิดของเขากับร่างกายเขานี่เหมือนคนละโซ่กัน มันเห็นได้ขนะดไหได้ถ้านั่งสมาธิจิตมันล ง, ลงจิตปล่อยวางร่างกายจิตก็จะแยกออกจากร่างกาย hmm. แต่มันจะเห็นได้ควา ม, มรูลึกลับของเราไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเครื่องจกักรเครื่องกลอะลรที่จะมามาจับภาพของจิตได้ hmm. แต่เรารู้อยู่ว่าเมื่อที่นี่เรากับร่างกายนี้มันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนกับเป็นสองอัน hmm. เราอยู่ตรงนี้ร่างกายอยู่ตรงนี้ทำยากกว่ากันอันนี้ต้องปฏิบัติเองทันทีที่กรงผูป้ปฏิบัติเป็นย่อมเป็นผู้ ผ, ผู้ที่พิสูจน์เได้ผู้อื่นปฏิไม่เห็นไม่รู้ว่าเที่พิสูจน์ในหน้าหน้าการปฏิบัติแ้วใช้คำสอนของใครก็ตามมันก็ ก็ต้องไปคิดตรงเนี้ยจิตจะต้อ ง, งวมลงมแยกออกจากกายถึนได้เห็นครัดที่บอกว่าจะเกิดปัญญานี่ยคือหมายว่าเราต้องแยกจิตกับกายให้ได้่อนั้นก็เป็นปนัญญาระดั บ, ดบนั่นก็เป็นความรู้ระดับหนึ่งนะรู้ว่ากายกับจิตเป็นคนละสนนี่ขั้นต่อไปก็คือถึงแม้จะรู้แต่ยังรู้ว่ามันยัง ยังมีความผูกพันกันอยู่เราจทำอไรเพื่อปราศจาความผูกพัน์นั้นก็ต้องใช้ปัญญาที่บอกต้อนั้นศึกษาร่างกายให้ทำใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ไม่วิตกกับมันมนะทำไงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็น้อยแว่ามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟใช่ไหม มันมาจากอะไรก็วิเคราะห์เลยมันจากล้วสองหยดใหญ่ๆเวลาก็ผสมเทียนใช่ไหมเพอมันพอมันสองหยดมารวมกันไอ้จิตมันก็มาจองเลยแล้ะมาครอบครองมันก็เกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาพอเจริญเตับโด้วยอะไรก็ด้วยอาหารที่แม่หล่อเลี้ยงให้ทัง้ง ต่อไปทักวิทยาศาสตร์ก็าจะมีวิธีที่จะหล่อเลี้ยงไ อ, อ้ตัวมีดโดยขึ้เราต้องใส่เข้าไปในท้องของมันไะ้เอาท้องเทียมก็ได้ต่อไปอรย์จะวิธีที่สามารถส่งอาหารให้กับไ อ, อ้ตัวอ่อนที่อยู่ในหลอดแกงได้ต่อไปก็ไม่ต้องอาศัยคนไดนะ้เป็นเด็กวแก้วแท้ๆเลยนแคป ทำหน้านันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์น่างการเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเคมีเป็นเรื่องอะไรต่างๆแต่วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นก็คือไอ้ปจัจจัยส่วนที่สามที่มาเกี่ยวข้องกับไอ้ไอ้ตัวอ่อนนี่คือตัวจิตนี้มันมีไม่เห็นไม่เี็นเราจะเห็นเนี่ยเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นมันได้ มันจะเริ่มต่บโ ต, ตจากอะไรก็จากอาหารของแา่แม่ก็กินอาหารอะไรเข้าไปถ้า ก, กินน้ํากินข้าวเข้าไปก็เอาดินเข้าไปดินที่ละเอียดเนี่ยดินที่เราแตงต้นไม้แตงให้เร า, าดินมาเป็นข้าวจิตมันรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องไปเข้าตรงนตรอันนี้มันมันมันเป็นธรรมชาติที่มัน มันเป็นไปโดยโดอัตโนมัติเถ้าติตมันมีตัวความอยากอยู่มันก็จะไปฉล้างหามันไปเหมือนกับกูเกิลเนี่ยมันก็จะเสด็จไปเรื่อยว่าใครตั้งคันนี้ที่ไหนมันไปมันก็ไปชอบไปทีมันถ้ามันหาของมันไม่ได้มันก็เอาของหมาสอนมาของแนวสอนมาของนกของปลาก็ได้แล้วแต่กําลังเสด็จของมันมันจะเปลี่ยนขนาดไหน ถามันมีการรังเกียจดีก็จะหาของมันเพราะมันไม่มีหายากกว่าของสัตว์ในถ้ามันอยู่ในภาวะที่มันไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นหาล่างของมนุษย์ของสัตว์นั่นก็จะอยู่ในภาวะของที่มันเป็นอยู่การมันสับสนวุ่นวายร้อนรนมันก็จะเหมือนกับฝันได้ไปก่อนอยู่ในในภาวะฝันไปก่อนแล้วก็เรียกวันนาลก แล้วจริงๆแล้วลบสว่างนี่ก็ภาวาของจิตที่มันเป็นมันร้อนเป็นไฟมันทุกข์อย่งจิตไม่ได้นอนะครับแต่มันจะมันจะยาวนานกว่าขณะที่เรามีกันอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราอาจจะรุมร้อนอยู่วันสองวันนั้วเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะมันมีเรื่องอื่นมามามาม า, ม า, ม, ามาเปลี่ยนไปมากบมันไป แต่ถ้ามันไม่มีร่างกายไม่มีไม่มีปัจจัยเอ่ยมากรบมันมันก็จะร้อนของไปเป็ความมันจะหมดไปของมันเองควจะหมดเชื้อของมันพราะมันผลิตขึ้นมาเองต่างมันจะหมดเชื้อที่จะผลิตไอความทุกข์ร้อนนั้นก็จะหายไปหายไปมันก็มีเชื้อตัวใหม่ออกมาผลิตถ้าเป็นเชื้อดีมันก็เย็นสบายถ้าเป็นเชื้อเหนื่อยมันมีไหนเชื้อเนี่ยเชื้อกลัวเชื้อโลก แต่ยังมีเชื่อโรภมาแทนที่มันก็จะเป็นเติดไปมีแต่หิวอยู่ตลอดเลยนะหิวอยากกินนุ่นกินนี่อยากอะไร น, นันน่นนูนน้นนี่นี่ท้ามีเชื่อความกลัวอยู่มันก็จะกลัวไปหมดยิกว่าเชื่อหล่านี้มันเขยดตัวลงมันก็จะมาได้ร่างกายของมันน้ไม่ได้ร่างกายของเรารักษนถ้าเรามีเชื่อความดีแล้วก็จะฝันดีมีความสุข อยู่บนอยู่ทำการเสียงที่ ส, สดใสรูปสิ่งที่น่าชื่นชมอะไรี้มันเราฝันดีอ่ะมัเราฝันดีมันก็เหมือนกับอยู่ในสวรรค์เขารสวรรค์ก็คือเนี่ยคือภาวะของจิตที่ปลิฐที่มีเชื้อดีที่ปลิฐผลที่ดีออกมาในจิตนั้นมันก็หมดได้เชื้อพวกนี้มันก็หมดได้พอหมดได้มันก็จะกลับลงมาแต่ใหม่คือ พบของมนุษย์เนี่ยพอเราเป็นมนุษย์มันก็สามารถที่จะผลิตเชื้อสะสมเชื้อแบบไหนขึ้นมาเหมือนกันทําบาปทํากรรมมันก็ะสะสมเชื้อไม่ดีมาในใจทําทบุญมันก็ะสะสมเชื้อที่ดีเมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนมันก็จะทําแบบนี้สลับกันไปอารมณ์ดีก็ทําบุญอารมณ์ไม่ดีก็ทําบาปใครขัดใจก็โกรธใคร ใครเอาใจก็ดีใจก็ชอบเขาแล้วเขาก็คิดดีเขามันก็จะวนเวียนอย่างนี้ยงค์ากลางจะมีพระเจ้ามาบอกว่าอย่าไปคิดเลยทาใจให้ว่า ง, างดีที่สุดก็ mm hmm. คิดดีก็สะสมเชื่อไม่ดีไว้คิดดีก็สะสมเชื่อดีไว้คิดไม่ดีก็สะสมเชื่อไม่ดีไว้ mm hmm. อย่าไปคิดเลยให้มันว่างไปล่อยวางความคิดทั้งหมด mm hmm. คิดได้แต่อย่าไปยิดอย่าไปติดมัน ที่ท่านจะเป็นกิริยาอย่างนี้อย่ า, ม, ยามีอารมณ์ไปถูกติดเข้มันทนําะายก็ทําได้แต่อย่าไม่มีอารมณ์เิดจากการกระทํานั้นมันมันก็จะไม่เป็นเชื่อใช่ไหมมีเบอร์แต่ไอปเตอรอ้าวเราจะได้ไม่มีความตรุงแต่งไปแอบใชกับกิริยาทํา <c oughs> ไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไป ในงานอะไรก็ทําไปแต่ไม่ยึดติดกับงานนั้นทำเสร็จแล้วก็ลาคนไปไม่ได้จะมาโอ้อดผลงานของฉันท่านวิเศษเพราะงานนี้อะไรใครมาตาหนกิมาโกรธขึ้นมาทันทีแสดงว่ามีมีอารมณ์ไปถูกพันด้วยถ้าเราฝึกแบบว่าเราปับปรับความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะกาถือเป็นการฝึกอย่างืมก็เป็นยุทธศาสตร์หนา ปล่อยวางเหมือนเหมป็นการปล่อยวางอออืยู่ว่างว่าอยู่พยายามทำจิตให้อยู่ตรงกลาอไม่ให้มีอารมณ์กับอะไรแต่มันจะมีได้มันก็ต้องมีอารมณ์เป็นกางนี้มาก่อนนี้มันไม่รู้อยู่ตรงไหนมันก็ต้องฝึสมาธิจนกระทังจิตรวมลงเป็นหนึ่งเหมือนเวลาเราจะวัดอะไรทั้งอย่างชั่งน้ําหนักก่อนที่เราจะชั่งน้ําหนักเราก็ต้องไป เช็คดูตาชั่งเรก่องว่ามันอยู่ที่ศูนย์ป่าถ้ามันไม่อยู่ที่ศูนยชั่งไงมันก็ไม่ได้น้ําหนักที่เที่ยงตรงใจของเราก็เหมือนกันถ้าจะรู้ว่าเรามีไม่มีอารมณ์กับอะไรเราก็ต้องทําใจเราม่ให้มันมีอารมณ์ก่อนทำให้มันอุเบกขาก่อนพอมีอุเบกขาแล้วนี่พอมันทาอะไรบ้างนี่ถ้ามันจะไปสายไปทาง ยินดียินรล่มันจะเห็นทันมันจะรู้ทันทีมันจะไวขึ้นอ่ามันจะรู้แต่ถ้ามันยังอยู่มันไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันยังอยู่ท่ามกลางอารมณ์อยู่แต่ตอนเนี้ยเราก็เราไม่เราเป็นอุเบกขาแต่มันไม่อุเบกขาจริงพออากาศร้อนขึ้นมาหน่อยนีนก็หมดฤทธิ์แล้วนะแล้วอุเบกขากับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่พอมันเปลี่ยนสภาพมันไม่อุเบกขาแล้ว ถ้าเป็นอุเบกขาจริงอะไรเปลี่ยนไปข้างนอกมันข้างในมันไม่เปลี่ยนตามข้างในก็ยังเป็นอุเบกขาอยู่พอร้อนก็รู้ว่าร้อนที่เป็นแต่ไม่มีอารมณ์กับความร้อนพอหนาวก็รู้ว่ามันแล้วแต่เพราะมันมีอารมณ์กับความหนาวถ้ารู้ถ้ามันเป็นก็แสดงว่ายัางไม่ก็ต้องพยายามดะมีกลับมาที่ ที่โครงการให้ได้ถ้าการนมีอารมณ์พอมันร้อนขึ้นมามันเริ่มหมนเหตุก็ต้องเดินกลับมาไม่ได้ไปแก่ข้งนอกไปติดใจเดึง<ม>ใจเขา้าเข้ามาให้มันอยู่ตรงกลารให้มันพอใจกับให้มันใช้ๆกับความร้อน น, นีต้องสือนี่เราเราชอบอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสุสบาย มันก็ต้องพัดมันอยู่กัเสียงที่มันลำบากมันบากมันยากมันยากัดแค่มันอยู่วัดนี้เราปรับให้มันเป็นอุปถัมภ์สภาพนั้นให้ได้ก็ต้องทํำสมาธิเยอะๆเพราะวิธีที่จะตัดง่ายที่สุดจะตับด้วยด้วยสติด้วยปัญญานี่มันไม่มีกลังพองเพราะสติปัญญาของเรามันไม่มีแรงมันไม่มีสมาธิเป็นตัวเดิมไว รู้อยู่ว่าควรจะไม่หงุดหงิดอะแต่ก็บังคับไม่ได้ถ้าไม่ได้ที่จะนงุดหงิดใจรู้อยู่ว่าไม่ควรจะดีใจก็ห้ามไม่ได้เวลายารั้เขาพูดอะไรดีก็อดอดที่จะดีใจไม่ได้เวลายครก็พูดอะไรดีก็อดที่จะหงุดหงิดใจไม่ได้เพราะเราไม่มีไม่มีกําลังที่จะดึงจิตให้อยู่ตรงตรงกลางระหว่างความดีและอีร่าง การทำสมาธิก็เพื่อให้เราได้เข้าสูส่จุดนั้นพอเราเข้าสูส่จุดนั้นแล้วเรารู้แล้วอ๋อ น, นี่เป็นอย่านี้เราต้องรักษาจะให้เราหยุดตรงนี้เสมอพอมีอะไรมาปับ๊บเราก็มากระทบปับ๊บมันจะให้เราดีใจแล้วต้องตัดสิ่งที่เราดีใจมั น, นไม่สนใจทําไมก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปวุ่นวายกับเขาเสียใจก็ต้องไปวุ่นวายกับเขาวันก็เราไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนเสีงนล่าเสียงใจ มันก็ล่องเข้าไปถ้าเราไม่ไปรำคายมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ไปยินดีก็ไม่มีปัญหาถ้ายินดีเรียเดียไม่เหยุดร่างก็ช้าถึงมันด้ยวยเราไม่ไปล่องต่อนะเดี๋ยวจะถูกพันจากสิ่งต่างๆที่มันมากระทบกับใจเรารับรู้แล้วก็ปล่อยวางถ้าจะรู้อย่าไปยินดี จะไปยืนได้นี่คือเป้าหมายแต่ถไปถึงตอนนั้นได้ต้องฝึกทําสมาธิสึกเจรสติก่อนอนี่เรฝึกทําสมาธิให้มันมีวิธีนี้มันแบบให้ ม, นะมันอยู่อ่ะอ ม, มันจะไม่ค่อยอยู่ยบางด้านข่งมันก็จะ <c oughs> ลองีิจัยด้วยมันมีแต่เราไม่ยอมทำางี้ยนะไปอยู่วัดสิ <c oughs> อยู่คนเดียวตัดทุกอย่างออกไป <c oughs> คนเอาปีสองปีมันต้องได้ละแน่แนทนไหวไหมนะเร า, <c oughs> เ, ราเราทนอยู่ปีนึ่งอยู่คนเดียวทํางานรอลาออกจากงานแล้วมาวอไปนี้เราจะอยู่คนเดียวจะเจริญสติ <c oughs> ย่างไหม <c oughs> แค่นี้ตัดไม่ไา้ีเดียวให้เวลากับการเจริญสติไม่ได้ <c oughs> ให้เวลากับอย่างอื่นมาได้เป็นสิบสิบปีให้ได้ แต่ให้จากสิ่งที่มีตาละคุณมีเรยชกับตัวอให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาอะไรกันเินกับ เอาแบบเริ่มปั่นเอาแบบยังไม่รับหนึงขนาดเอาพูดโท้พูดโทรไปเรื่อยๆก็แล้วเออดโท้เ อ, <น S 2> อย่าไปคุยกับตัวอย่าไปคุยกับตัวเองคุยต่อไปนี้ไม่คุยกับตัวเองแล้วเอาแต่พูดโทรอย่างเดียวเ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อาไปพูดโทรแล้วก็ให้อยู่กับงานที่เราต้องทํำอยู่อย่าไปอยู่คนยังอื่น กางฟังก็ให้กับการฟันทุกทุกทัวร์ ก, ก็การฟันไปกินข้าวก็กินไปกินไปนทไปุกทัวร์ไอย่าไปอย่าไปคุยกับคนอื่นอย่าไปพูดนี่ยเดี๋ยวแม่ก็กลับไปต่างคนต่างทุกทรไปได้นะทำไมไม่ทำเลยทำได้ไม่ไทาเลย คนขับรถพุทโธไม่ได้ค่ะได้ได้แล้วก็พุทโธลับไปแล้วก็อยู่ในการขับท่านไม่มีสมาธิเอาเวลาคุยกันได้ดีด้วยขับรถนี่พุทโธดีด้วยพุทโธไปแล้วก็เฝ้าดูด้วยไม่ใช่พุทโธไปบางคนบอกพุทโธไปแล้วเดี๋ยวกลัวหลับไม่หลับหรอกถ้าเราพุทโธแบบมีสติมันไม่หลับหรอก กลัวจิตจะรวมในสสขณะขับรถโอ้สสขณะนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆมันจะไม่รวมแต่พอมาขับรถหน่อยกลัวจะรวมฤาษีเหลืมันลายไหมจิตรวมเป็นเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นตางนะ่ายรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสงบนิ่ง เมื่เราจะรูมาถึงตอนนั้นเรารู้ว่าจิตจิตัวมแมันจะแสกหลาดนาสะจังจันเหมือนจิดว่างเเหมือนกันทำเดียวกันแล้วอย่างกรณีที่เวลาเรานั่งนั่งสมาธิแล้วเราเกิดความเจ็บปวด แล้วถือจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแยกกันคือความเจ็บปวดยังมีแต่เราไม่ได้ไปก็ใช่ได้ไม่ได้ไปถูกตจดถูกกันทำไมความมัไปเขาก็อยู่ของเขาตรงันไม่ได้หายไปอันนี้สือว่ารวมก็รวมด้วกันคือสงบนะเป็นอุเบกขาเหมือนกันทําไม่รวมจนกระทั่งหายไปหมดไม่ห่ยมันรวมแค่สองแบบรวมแบบหายไปหมดร่างกายก็หายไปคําเจ็บปวดก็หายไปแล้วรวมแบบว่า มันเจ็ดเองอยู่แต่เราไม่ไปวิตกกังวลกันมาอ่าตามคนต่างอยู่กันเหมือนกับเสียงเนี่ยเสียงมันมันมีก็มีไปเราไม่ไปรังคาเสียงนี่ยกระป๋องมันมีเสียงต่ามพัดกระป๋องลมพัดกันเนียก็ใช้ได้เป็นได้ทั้งสองอย่างบางทีก็จะรวมบางทีก็ไม่รวมยากแต่ เราจงอ่านแล้วซือแล้วก็อย่าอ่านมากนะตอนนี้ถ้าจําที่เราพูดได้นี้ไม่ต้องอ่านก็ได้เอาไปทําได้เลยนอกจากอยากจะรู้อะไรพิเศษก็อ่านไปนล้วก็จะช่วยทำให้ฟังเข้าใจให้มันกว้างขวางยิ่ขึ้นเพราะมันมีข้อมูลหลายอย่างหลายส่วนเป็นองค์ประกอบแต่การกระทําลันกะก็ต้องเริ่มต้นที่ก่อสายความคิดนี้ก่อนเราให้มีสติให้ได้ก่อน มีสติเดินใจไว้ให้อยู่กับพุโทโธ ไ, ได้ตามคํามสัง่งแต่พุโทโธเนี่ยถ้าทำได้มันดีกับเพ่งดีกับดูคนที่ดูเนี่ยมันต้องมีสติที่แรงพอสมควรนะที่สามารถสกัดความคิดตรงต่งได้นในขณะที่เพ่งถ้าไม่มี เท่งไปเลยมันความคิดปรุงแต่งมันก็ทอดทกเข้ามา<น>แต่ถ้ามีพุทโธนี่มันสอดเข้ามาไม่ได้<น>สอดยากกว่า<น>ก็เข้าได้เข้าได้เหมือนการใจมันยากกว่า<น>อยู่ที่ว่าเรา<น>มีสติอยู่กับพุทโธมากน้อยเป็นไงถ้าอยู่มากมันก็เข้ามาได้ยะได้เยาะถ้าอยู่น้อยอยู่แบบเบาๆพุทโธไปปักสมาแล้วพุทโธก็ดูไปดูความพุทโธดูว่าเรายัมีพุทโธอยู่ในใจเราหรือเปล่า กำลังพุโทโธอยู่หรือเปล่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแต่เมู่อสุอางานก็ไม่สังวันขอมันมีพุโทโธอยู่ในใจแล้วมันจะคิดเรื่องอื่นนะคแต่เราไม่ก็ได้ใช้พุโทโธนะ เ, เราปฏิบัติเดนหนึ่ง ก, ก้มแล้วก็จะหนึ่งเท้าว่อไป <f ie> ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานีได้ พรตอนที่เราเรียนนั้นเาไม่รู้จักพุทโธวรแล้วรู้แต่คําว่านจังทุกขังอนัตตาอื่นแล้วก็้ิจังึงเดียวนิจังนิจังไปมันก็เหมือนกันมันก็เป็นคําพูดเหอนเดียวกันซ้ายขวาซ้ายขวานเหมือนกันแม่แตาจะดินน้ําดินน้ําลงไปหนังเนื้อเอ็นกระดู ถ้าแก่เจ็บตายมันก็ได้ขอให้มันอยู่กับเรื่องหน่อยเดี๋ยวาไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นนี้ก็มันก็เป็นสติได้เป็นสมาธิได้มันมันไล่ความคิดไล่สาระต่างๆออกไปได้บางช่วงที่พยายามพยายามคอยตามดูจิตตัวเองค่ะบางช่วงถ้าเกิดถ้าเกิดมีสติหนอยดูได้เรื่อหน่อยคือเกิดน้อยน้อย ก็จะเห็นเลยว่าโอ้หเราคิดปรุงแต่งเยอะมากวัออนไลนนี้เด็ยเดี๋ยวคิดอีกแล้ ว, เ ด, วเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ห็อย่างที่ท่านบอกครนี่ท่านบอกว่าเราเนี่ยช่างขยันหาทุกให้ตัวเอง<า>อจริงจริงเลยค่ะ พ่อในในหมืวดลูกมีถามมาเนื่องจากว่ามีคนถา ม, ามลูกก็เคยอ่านหนังสือนะคะที่บอกว่าถ้าเราถือสีแต่แล้วเราทําไม่ได้เนี่ยจะถือเป็นทุสีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะทําให้เราแบบพาวนาไม่ได้ภาวนาได้ไม่ดีก็เราผิดสีถ้าเราถือไม่ได้ก็อย่าไปถืออย่างเงี้ยใช่ไหราถือได้เท่าไหร่ก็ดีเขาไม่ถืออืแต่ว่าถือไม่ได้ร้อยเซ็นได้แปดสิบมันก็ดีเขาศูนย์อืม ลูกก็เใช้วิธีแบบ้ั้นเพื่อความสบายใจของตัวเองก็เวลาอยู่วัาก็คือศิลห้าก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำตัวแบบสิดแต่ยกเว้นข้อบางข้อที่เราอาจจะมีเหตุให้ทำให้ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราถือศิลห้าแล้วลรวก็ก้าวขึ้นไป u n o แป i อ i a l l y อย่าเชัยลนี่อย่างนั้นก็แล้วดีกว่านลศีลห้าเรารักษาให้ดีแล้วก็ พ่อหจแปดเราก็ทําเป็นออปชั่นพิเศษเป็นโบนัสไปนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เห็นเสียหายอตรงไหนลูปทำแบบนั้นอ่มันยังเป็นต้องไปเพอร์เค็ตเราคนเราเริ่มต้นมันจะให้เดินได้ที่ไหนมันก็ต้องน้อมรู้ผุกคายก่อนบางทีก็บอกถือศีลแปดแล้วห้ามยืนยืนดื่มน้ำห้ามส่งคอให้ผู้ชายรับต่ออะไรย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของเราลูประธรรมมันไม่ใช่เรื่องสาระที่แท้จริงของศีลแป สาระเขษษตาต่ดใจก็คือต้องการให้สํารวมตาหงสนุกนิ้วกายแม่หาความสุขทางตาหงสนุกนิ้วการไม่ให้าาหาความสุขจากกานรับประทานไม่ให้ห า, าความสุขประก า, ห า, ารหลับนอนนี่คือสาระเท่นั้นแหะแต่ไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแบบว่าเรียนมาจากพระก็ต้องการจะซับเพล่ไม่ให้มันเทพมันเข้ามาสัมผัสกันเดี๋ยวภคยมันจะชอ็อตมันนะไม่ให้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวไอ้สิ่ข้อธรรมจารย์มัจะรักษาไม่ได้ แั้นเอโอเคแต่ี่รายละเอียดมาเราอ่ะเราไม่รู้เขาเไปติดในรูปกรทำนะเขาไม่ได้ติดตัวที่แก่ขอันเศรษฐนัดของมันต้อทำเพื่ออะไรแกตม่ทำเลยแล้วกทรายไม่ทเเป็นข้อน่ะก็ตอแต่พี่กันแมามันก็จะมีสองขั้นออันหนึ่งก็คือความอ่าก สุดท้ายเนี่ยก็คือมันต้นตอก็คือเราอยากอีกอันหนึ่งคือที่ต้องใช้บ่อยในกันรที่เรางานก็คืที่ท่านสอนว่าไม่ไม่ต้องไปดูข้างนอกคดูที่ตัวเราคือคือกลับมาดูที่ตัวเราเรื่องเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยเวาคุยเรื่องงานเนี่ยบางครั้งมันเราเริ่มจะงุนอีกแล้วเริ่มจะแเอ๊ะทําไมเขาเป็นกันอย่างนี้ทำไมทําเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาคือไม่ส่ออกนอกมากลับ ปล่เข้าเลยเข้ไปแล้วเขียเงินไปเรานั่งเฉยเฉยหรือบางทีเนี่ยเราจะเริ่มไปวิพากษ์วิจารเขาเนี่ยเราจะย้อนกลมาดีตัวเองก่อนนะแล้วที่เราที่เราเกิดตอนเนี้จิตเราเนี่ยมันเกิดอะไรเลยเราโกรธอยู่โกรพรอะไรทําไมอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะนั่นแหละเราลังแก้ปัญหาถจิตจิตนะไปกำลังไม่ใจแบบระดับที่อื่นระับที่ใจทําโกรธอยู่ที่ใจ ข้อมูลอยู่ที่ใจซึ่งแต่อาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นจำนวนเป็นตัวจุดให้มันเกิดขึ้นมาแต่ตัวที่มันเป็นปัญหาอยู่ที่ใจเล้แต่ทําไม่ได้ร้อยร้อยครั้งก็ยังดีอะร้อยหนึ่งได้สักครั้งก็ยังดีแต่ไม่ได้เลยโอ้ได้ได้มากกว่าหนึ่งได้โอพอพูดได้เลย้ใจได้เลยพยายามทําให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมากขึ้นไปเองเพรมันเริ่มชํานาญมันเริ่มดูแล้วต้องมองทั้ไหนต้องปล่ายข้างนอก หลวงู่นุ้ น, นบอกเสมอว่าข้าวข้างในเป็นมรตต์อกข้างนอกเป็นสมุทรดองข้างนอกเป็นทุกข์ข<ช>้าวข้างในเป็นเป็นสุขแเย็นสงบหรือบางครั้งถ้าเราเราหนงไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะหลบไม่นานแล้วเราจะก็จะกลับมาแล้วเราก็จะอืมเมื่อี้หลงไปแล้วนะไม่ได้นี่แสดงว่าเรียนข้าวถือ<ช>ทีท่ฐานที่มรตต์มากเ เะริญมากหนูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดับได้เดี๋ยวก็กมดได้อามที่เล่ามาก็ถูกนะฮะการทีดต้จะให้ไปทั้งชุดเลยก็ได้ต้งกาจะเริ่มต้นมานมีบ้างมั้ยะได้จะเกลมีบ้าง ยังไม่ต้องครบก็ได้ไม่ในีไ่ฟังให้หมดก่อนเอาทังยังได้ให้มดก่อนไม่ฟังไม่หมดให้หมดก่อนถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่ถึงใจมันไม่ขอหรอกถ้ามันถึงใจมันไม่ต้องถามหรอกมันขอเองคนบางคนได้หนังสือไปเล่มหนึ่งนี่ต้องกลับมาขอแหละแสดงว่าติดละถ้าให้ไปเล่มหนึ่งแล้วไม่กลับมาแสดงว่ายังไม่ใตข้างใน บางทีอาเซียไม่ได้อ่อะยังไม่ได้อ่านในซาำแต่ไม่ได้อ่านเลยแต่อยากจะมาทํำบุญเท่านั้นอยาว่าเก็บไว้ก่อนเพื่อมีเวลาใช่ไหมได้ได้ไม่ได้ไลน์เป็นคำรองแลปัญญาํารองยาํามันประจําบ้านจาเวลาทุกใจทำงานแล้วบางทีเวลาทุกใจนะมันเหมือนกับบางทีเราจะไปฟังหรือฟังซีดีขึ้นมาจากแผ่นหรือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสักเล่ม มันจะโดนใจในสัญหานะอะไรบางี ม, มเชือออ่อเพราะเยเขาตัวอย่างมันมาที่ใจใไหมครัมันจะแก้ปัญหามาได้ปัญหามันคล้ายๆกันเท่านั้นเลยด้วยความหลงเวลาคือมันไม่คม่อยมันนั่งคิดว่าอยากจะฟังอะไรโบส น, นี้บงคนพยายแก้เองบานคิดถามตัวเองว่าเราคุยกับอะไร ก็ได้บางทีนันก็ดีแต่บางคนมันมืดปอดมันรู้ว่าอ่านแล้วมันง่ายกว่าเขาก็อ่านถ้าเขถ้าเขาเคยได้ได้ผลจากการอ่านเขาเข้าสามารอ่านพอบางทีคลิปไม่เต็มคลิปไม่ตรงประเด็นพอมาอ่านแล้วมันตรงประเด็นเลยแต่คนจะอ่านเรื่อยก่อนเรื่อยๆไปก่อนเป็นการทำซ้ำ รู้จักฟังไปก็ได้อ่าไปก็ได้มันเป็นยาเราก็ต้องพยายามกินยาเราต้องอยาจะได้กินได้ง่ายถ้ากินให้เต็มเรนจะกินอยางไงตัวยาติดบางคนกินยาให้เร็จนะตัวยาไม่ได้สิคเ <c oughs> ัอ <c oughs> มันเป็นยางามใช่ไหมที่อ่านไม่สวยอื่นไมวย่นก็ไม่ค่อยอ่านไม่สวอื่นจะอ่านเนี่ยถ้าถ้าเวลาแบบปกติคือไม่มีเรื่องกร้อนใจอ่านพวกนี้ได้ก็อมานได้นี่ได้แต so SO e. ่ถ <oyun ST 1> ้าเจ็บง <ative> ุดหงิดหรือโมโหอะไรช่วงนั้นอารมณ์ไม่ดีให้จะให้มันหน้าถ่างนั่งฟังพวงนี้มัน มันไม่อยู่ตรงนี้เลยแล้วตอนตอนที่ถอดนี่มันก็ได้อ่านได้งทางเลยไ่เหมือนไมเหมือนเวลาอารมณ์ดีจต้องอตอนที่ทด่อยู่ขงเราอตอได้ทีเดียวไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจมันเหมือนสมาธิมัน่อยู่กับตรงนี้แล้วพอนั่งเปิดเทปมันเริ่มไปคิดเรื่องนู้แลวอะไรอย่างํเราทำไงเวลานี่ช่วยยันคนละขึ้น ก็ช่วยเป็นบาการบางกันอย่างช่วงบางทีลูกไม่ว่างเขาวางก็ทำเองเรื่องมันต้องพาไปถึงจุดนั้นจุดปัญหาเคยเจุดจา่ความเจ็บปวดเนี่ยเราล้างเรามาใช้พุทโธพุทโธใบธรรมโดยที่น่าจะคิดถึงควาเจ็บปวดเดี๋มันก็หายแต่แต่ใคจะไปถึงตรงนั้นบางคนไปไม่ถึงกัน นั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันเจยบว่าลุกแล้วมันเรียนนำขาดใจขึ้นมาแล้วนีนก้ก็หยุดใจสมาธิยังไม่พอสติยังไม่มีกำลังพอที่จะผ่านท่านปัญหาท่านรายงานก็เ่เกความหงุ่หงิดความทุนข์างมันก็ไปไม่ถึงใน้ท่านที่มันเกิดเวทนากางร่างกายขึ้นมาพอถึงท่านนั้นแล้วก็กใช้พิโทโธพิทโธทายเลือใช้พิจารณาแยกแ ย, แ ย, แยว่ามันเป็นคนสวนกัน ไปตามเรื่องของมันเรตนานี่มันก็เหมืมอนกับเสียงที่เข้ามาทางหูแล้วไปปรากฏที่ทางใจเรตนานี่มันก็เข้ามาทางร่างกายแล้วมันก็ไปปรากฏที่ทา ง, จงใจมันก็เหมือนกันพอไปถึงใจงมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนสัญญาณสัญญาณที่ไปปรากฏทางใจมีสัญญาเราไปแยกว่าเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณช น, นิดไหนดีก็ไม่ดีไอ้ตัวนี้เราต้อง ต้องตัดมันดีลิทมันให้ได้ตัวที่แปลว่ามันดีแล้วนม่ดีเขาบอกเป็นสัญญาณเหมือนกันเสียงมันก็เป็นสัญญาณไอ้เวทนาที่มาทางใจนี่ก็เป็นสัญญาณนะครับพอพอไปถึงใจแล้วมันเหมือนกันถ้าเราอยู่ตรงใจแล้วแล้วมันจะมันจะรู้ว่าเสียงก็ดีรูปก็ดีสิ่งก็ดีอะไรก็ดีมันเข้าไปมันจะเป็นสัญญาณนะแล้วใจก็รับมันได้หมดทุกรูปแบบ มันจะเจ็บปวดนล้วท่านตายขาดใจตายตายมันก็มันก็เป็นแค่สัญญาณให้ใจรับรู้เท่านั้นเองมันไม่ได้ไปทําอะไรกับใจเพราะไม่มีอะไรทําใจได้เมือนกับถึงที่ปรากฏในจอมอนิเตอร์เนี่ยจะเป็นระเบิดในเทียมมันก็มันนั่นก็ไม่ได้ทําให้จอระเบิดใช่ไหมคนฆ่ากันฟันกันยิงกันอยู่ในจอโทรทัศนมันก็ไม่ได้ทําให้จอมันทังตใจเราก็แบบนั้น ใจ้วก็รับสัญญาณเข้ามาแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ดูลันไปนะแต่มไม่ได้ดูเฉยมันไปแป่ความหมายดีไม่ดีรักช้งขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมามันต้องดับไอตัวนี้ได้เลยอันนี้สัจจว่ามันเป็นจาจใจนี้เป็นหอนจ อ, อมอนิเตอร์แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานี่เป็นเหน่วยภาพ ภาพจะไล่ได้นขนาดไห น, นเป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคจะเป็นระเบินิวเคลียร์หรือตดถล่มอะไรแต่มันน่าอยู่ไรมันอะไรมั้นก็มันก็มันก็ไ ป, เ, ปเล่นของมันไปแต่ใจก็พเพิยงแต่รับรู้ไอ้จอมันก็เพียงแต่มันก็มอนิทมันก็แสดงภาพปรากฏขึ้นมานั่นเองแต่จอมันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนด้วยกับภาพที่ปรากฏขึ้นในจอใจมันเราก็เป็นอย่างนี้ เรามีสติปัญญามีสมาธิไปถึงตรงตัวใจแบงนั้นได้แล้วทำให้ใจมันเป็นอยู่เบี่ยงเบนอยู่นั้นมันก็หมดปัญหามันก็ไม่กลัวกับอะไรนะแต่นันไปไม่ถึงอย่งงั้นมันไม่ทันกิเลยกิเลสมันไปจองใ้ตัวสัญญาไว้ก่อนเราเป็นเราเป็นของเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราพอเป็นอะไรกับเขาเรา ก็วุ่นวายใจขึ้นมามันไม่ได้เป็นศักแต่ว่าสภาวะทั้งที่ปรากฏขึ้นในใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่มองว่าเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน์มันไปเอาจริงกระจาพกับผ้ามแมบเราดูหนังหนังถผีก็กลัวขึ้นมาเฮอ ดูฟุตบอลก็เชียร์ฝ่ายนึงเชียร์ฝ่ายนึงวันธรรมดากโ็โห เ, เ, เ, เดี่ีกดีันดูเฉยเฉยไม่ด้ไม่มันเวลาแพ้ก็เึ้นเศร้าวเวลาชิงแชปเงี้ยนะสังเกตอยู่ทั่วประเทศเนี่ย โ, โหเวลามวยไทยชิงเหรียญทองนี่ทั่วประเทศนี่ห <c laim S 1> ยุขดขับรถไม่ไปไหนเลยดูมันทุกคนเลย พอชนะโอ้โหทุกคนดีใจทั่วประเทศเลยพอแพ้ก็เสิ่มกันไ ป, ปนี่แหละมันใจัไปหลงน้ภาพก็ที่เราเห็นก็แฟฟคบภาพเสียงก้างนึงเราก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรเขาไม่งหยนทองเ ร, เ, ร เ, รเราก็ไม่ได้เร า, เราไม่ได้ทุกอย่าง ครับูดภาษาไทยเขาบบ้าบ้ากันทั้งประเทศเนี่ยธรรมะทั really uh ้งนั้นเน่ยมันไ้พูดทั้งวันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทั้งวันเนี่ยอย่าลองไปเราไปฟังใหม่เลยทบทวนฟังอยู่ที่เรื่องเพราะฟังแล้มันผ่านไปดี บางส่วนก็ไม่เข้าใจบางส่วนได้ยแเข้าใจฟังไปเรื่อยๆมันมันไม่เบื่อทำละนานฟังทีอาทิยหนึ่งสองอาทิตย์ฟังทีมันจะได้อะไรแตกๆที่ที่ว่าฟังแล้วได้แล้วแต่มันส่วนมันไม่ได้บางทีมาถอดเอ๊ะทำไมตรงนี้ทําไม่ได้ยู่เลยเพรตอนนั้นใจไม่ได้อยู่ที่ฟัง่ะมันกำลังขึ้นนั่นเอง หรือบางครั้งตอนที่ฟังทีแรกเนี่ยตัวเอเข้าใจว่าเข้าใจแต่พอจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าใจที่ถูกเราไม่ได้เข้าใจจริงๆใช่มันมีความเข้าใจอยู่หลายเรื่องแล้วพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ที่อท่านก็สอนเราไงฮะเราหมดแล้วราหมดแล้วทำไมสำคัญที่ฟังเกิดเหตุการณ์แล้วดึงมาใช้ใช่ต้องดึงให้ทันฟังเข้าห้องสอน ตอนนี้ก็ลองทำกันบ้างดิคนนอนตบหน้าทีนี้หันหน้าใช่ไหมคือบางเรื่องบางเรื่องเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็ก็จะได้ได้ผลแต่ถ้าแบบไม่รู้มาก่อนไม่รู้ออกไปก่อนแล้วค่อยมาดูแต่ว่าถ้าทํำมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมันต้องเจ็บมันถึงจะจำ แต่บคนเกิบแล้วก็ไม่จังทําซ้ําเกิดซ้ํำซ่าเกิดซ้ำซ่าตอกตกประจําทําีอะไรไหมรู้ก็ตั้งใจว่าจะอยู่บ้านเนี่ยพยายามทําให้มากขึ้นมากที่บ้านก็ดีเหมือนกันนะทําบ้านให้เป็นวัดก็ได้ขังตัวเราอย่งอยู่ในห้องเลยจะพยายามตัด คนอื่นออกไปแต่บางทีถ้าคนอื่นเข้ามาจะทำได้แต่ก็เปจะพยายามบอกปรับคนอื่นให้เข้าใจว่าเราทําอะไรเ่ยเพราะ่าเรกังวลเราวอนมันสงบสติอารมณ์บอกเต้องก็ดีแต่เราไปวัดฮะเราอยู่ด้วย้ๆนี้มีปัญหาต้องการใช้เรายังเยืดใช้ได้ถ้าเราไปอยู่วัดใช่ไหมบอกคนนี้เขาจะได้เข้าใจบอกให้ที่ว่าห้องนั้นตอนนี้เป็นวัดก็แล่ะกัน กำลังไปวัดอยู่ว่าถ้าเราไปวัดเขาจะไม่เห็นเราเลยนะจะให้เขานี่ยขอบคุณาวาบิวาหามุราสารุเริติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเตตานังอุปการปิยิชิตังปฏิชิตังสุมหังทิพเทเมวะสันิจโตตับเตุเรนตุจางกปา จันโทปนะระโสยทานนิโชติระโสยทาสสะพีติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวสัวันตารายสุขีทีทายุโภวอะพิวาฒนศีสะิจจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมวาธานติอาวันุสุขังภะลง I love you.